เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธารู้อยู่ไม่ทักท้วงภิกษุณีผู้ต้องทำคือปาราชิกด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะในปาราชิกสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานเป็นธุระนิเขปะสมุดฐาน 来。